ต่อไปนี้ขอ ลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสคู่เลิกยาเสร็จติด ดร. เจรวยพรทรณิน หมอกสลายที่ปลายฟ้าตอนที่ 12 ความเดิมตอนที่ อัญชยาแปลกดาวันก็หลับอีกคนที่เห็นเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปคุณๆ ไหนพ่อบอกกับชั้นแล้วก็แม่ว่าจะเลิกอ้าวแล้วอ้าวแล้วน้อยไม่ไปผมเออผมเอ่อผม มันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยล่ะจ้ะแล้วผมมาหามันอีกก็ติครับเอ่อผมเอ่อผมอยาก ความรักคนนั้นที่จะเอาชนะมันได้รักตัวเองรักเมียรักลูก ครับผมจะทนสู้กับมันให้ได้หมอผมจะน้อยพ่อตรงนี้ครับคุณพ่อ ทำไมหมู่นี้ปล่อยของไม่ค่อยออกเลยวะฮะอากําจองไอ้อึ้ง อัยยะอย่าซุกซงมึงต้องเจออย่างนี้ลือก็ระวังตัวให้ดีเหมือน เตียก็เพ็งไม้อยู่พอดีนะอ้าวเตียนายพูดอย่าง คือถ้ายังขายไม่ดีชาวบ้านแถวนี้ถ้า นะเก็บเนื้อเก็บตัวอยู่แต่ในบ้านไม่ออกมาเคลื่อนยายยาย ไม่ใช่อย่างนั้นน่ะยายปวนไอ้พลหน้าบ้านข้าคุยกันดีๆ ใครไม่เคยเห็นนักเลงกระจอกมาไป ได้ยินเสียงใหญ่ป่วนน่ะใครเสียงแจ่วๆอ้าวแล้ว ไอ้อยู่ไม่อยู่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเองอยู่มั้ยอยู่ไม่อยู่ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับพวกเอ็งไอ้พวกนักอ้าวนะส้อยพูดเฮ้ย แม่ลูกอ่อนยังไงพี่น้องๆ ทลายกำแพงใจให้อภัยให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดนาย หมอพอจะได้ข่าวแล้วใช่ไหมพอครูใหญ่ได้ข่าวแล้วใช่มั้ยข่าวอ๋อก็มีบ้าน ข่าวของผมสงสัยช้าเกินไปอ่ะบอกหน่อยเถอะ ทำไมมีๆสิผมเพื่อร่วมมือร่วมใจและร่วมชีวิตบอกว่าเรา 2สคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> คิดครับโอ้เก่งจังค่ะจังค่ะอืมผมอยากจะรับความดี อ๋อขอบคุณค่ะที่อุตส่าห์หามาว้าว แรงดิสุดเลยไอ้ชัดยอดขายไม่กระเตื้องถ้าไม่ทูพี่กําจอน เดี๋ยวเสี่ยมาเห็นก็โดนตาว่าสันหลังยาวอีกเฮ้ยมันเรียกยาบ้า กินแล้วจะเป็นยังไงวะแล้วเดี๋ยวติดขึ้นมาเป็นยังไงวะจะดีหรือวะไอ้จ๊อดมาๆมามา อย่ายังไม่ตกถึงท้อง โดอเนสตายังสายจ๋าดีเอ๊ะเมื่อกี้แกว่าอะไรนะไอ้อึ้ง ไปดีกว่าฉันไม่อยากจะเสียเวลากับพวกแกเฮ้ย คุณถ้ามีโอกาสเมื่อไรเฮ้ยกลัวอย่างเฮ้ย เป็นไงหัวหน้าเสี่ยเฮ้ย เราค้าขายกันมานานค้าตอนเนี่ยกันมานานน่าจะรู้ใจกันดีตองเนี่ย มันก็พอได้อยู่น่ะก็พอได้ๆเลย ใครไปแน่นะกลัวอะไรว่าจะบ้าเหรอหน้าตาอาเซียเราต้องเฮง อืมมีอามวยสวยๆขาว <laughs> <laughs> <laughs> ดีค่ะมาพบใครหรือไม่สบายเป็นอะไรคะหมออยู่ไหม ผมขอเชิญบังเอิญฉันตอนเป็นนักเรียนจักคุณตาย คลายกำแพงใจให้บริษัทไทยรุ่งยูเนียนทาจำกัดมหาชนผู้เลิกยาเสพติด แสดงบีดังต่อไปนี้อาธรภาธิภัตนะทินดาเกียรติศิริเปรมกมลโชติกาเสขียนธีระบุญยฤทธิ์ และเฉลิมพลสิริประเสริฐศักดิ์ชนะขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังหมอกสลายที่ปลายฟ้าควบคุมเสียงอาธร